ย่อลงไปกว่านั้นอีกก็มีนะโดยรูปยกรูปขึ้นมาอย่างเดียวก็มีเช่นในในหนึ่งคนเนี่ยนะมีช่วงไหนชีวิตอส า, าธาที่สุดตอนไหนอาทีนวะและตัดชันนราคะในได้อย่างไรเนี่ยในรูปทั้งหลายนะีอะไรคืออส า, าธาของรูปไม่รู้ว่ารูปไหนก่อให้เกิดสุขโสมมานั่รูปนั้นแหละมีอาศาธาแหละกัในมหาทุกขคันทสูตรพระองค์ก็ยกว่าเอ้ายกตัวอย่างนะถ้าพูดกับพระก็ต้อง พระนี่ไม่มีหรือผู้ชายเนี่ยนะไม่มีรูปอะไรที่ผู้ชายชอบถ้ากับรูปผู้หญิงหรอกถ้าผู้หญิงถ้าพูดชอบก็ไม่ชอบอะไรมากกับรูปผู้ชายนะอันนี้พูดถึงปกตินะคนปกติไม่เอาแบบอที่ผิดปกติมาพูดนะเทก็บอกว่าอ้าวถ้ารูปของผู้หญิงที่จะทําให้เกิดสุกสมมนัตอ่ะตอนอายุสักเท่าไหร่เหมือ น, นอ้าวสิบห้าสิบกสิบเจ็ดก็ช่วงที่กําลังพอใจนี่แหละอันนี้คืออาสาทะปรากฏใช่ไหมบอกใช่ แล้วก็ถ้าไปเห็นหญิงคนนั้น 90, นั่นแหละวัยเก้าสิบนะนอ้าอาทีนวะเริ่มปรากฏแล้วนะก็บอกว่ายกนางสาวให้นะยกนางงามเมื่อรุ่นสมัยก่อนให้ดูแยเอาไหมอย่างเงี้ยนะไม่เอาเลยนะเห็นอาทีนวะทำทีเลยนะแล้วถ้าคนนั้นอีกป่วยขึ้นมาจะเป็นยังไงเนี่ยนะอาทีนวะก็ปรากฏเนี่ยนะแล้วถ้าตายอีกก็อาทีนวะกองโตเลยนะตายแล้วก็สมมุติยังปล่อยให้ศพอยู่ในบ้านเนะี่ยอาทีนวะก็ปรากฏ พระองค์แสดงทั้งโดยคําละโดยตัวอย่างสมัยพุทธกาลนี่ก็มีนะนางศริ ม, มาเนี่ยพระองค์ก็พาพระภิกษุเนี่ยไปดูเลยก็อบอกว่าแล้วให้พระราชาเนี่ยเกณฑ์คนทั้งเมืองเนี่ยไปดูด้วยใครไม่ไปปรับเสียค่าปรับไปก็ให้ตีกลองประกาศเลยบอกโอ้ปกตินี่นางศริ ม, มานี่ค่าตัวคือละพันคือละพันโบราณ น, นะมันก็คืนละเป็นแสนสมัยนี้นั่นแหละแล้วก็บอกว่าอ้าวเมื่อก่อนเนี่ยใครอยากได้ตัวก็อมาพันหนึ่งก็ไปคืนหนึ่ง ตอนนี้บอกว่าใครอยากได้ตัวนางเสรมาเอาให้หมดเลยเอาไปเลยเอามาพันหนึ่งเงียบหมดนั้นมีใครรับไปเลยสักคนเดียวก็บอกลดเหลือห้าร้อยกัแล้วกันก็ไม่มีใครเอาไปอีกนะเพราะตอนนั้นมันอืดเต็มที่แล้วแมลงวันเต็มที่นะนอนยังก็เอาข้าวสุกมาเทส่แล้วเว้ยห้าร้อยก็ไม่เอาแล้วนะลดมาเหลือร้อยหนึ่งเอาร้อยก็ไม่เอาลดมาเหลือบาทหนึ่งบาทเดียวก็ไม่มีใครเอานะให้ฟรีไปเลยนะก็ไม่มีใครเอา บอกว่านี้แหละรูปมันก็เป็นอย่างนี้แหละบางอันนี่คือโทษทั้งหลายของรูปแม้กระทั่งจนแหลกเป็นกระดูกเป็นผุยผงเนี่ยนะถ้าไม่ใช่กระดูกญาติจริงๆเขาไม่เอาไว้ใกล้ๆตัวหลักกลัวยิ่งกว่าอะไรอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนั่นคือโทษทั้งหลายของรูปที่มีอยู่ถามว่าถ้าจะออกจากรูปเหล่านี้ทํำยังไงก็ตัดฉันทราคะในรูปเสียร์ดเนี่ยนะก็ถามว่าแล้วจะตัดฉันทราคะได้ยังไงด้วยการรู้อัศสาทอาทีนวะดีนั่นแหละเป็น วิธีการที่จะช่วยให้สลัดออกจากฉันทราคะที่จะทําให้ตัดฉันทราคะไม่ใช่ไปเที่ยวสแสวงหาข้อปฏิบัติที่อื่นอีกนะไม่ใช่แต่หมายถึงการเข้าไปรู้อัศะท่าอาทีนวะของสิ่งนั้นเป็นอย่างดีนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่จะกําจัดฉันทราคะในสิ่งนั้นนี่นะอันนี้ในหนึ่ง อ, อีกในหนึ่งก็ยกอัศะท่าอาทีนวะนิสรณะของเวทนาแต่จะไม่กล่าวที่นี่ อีกสูตรหนึ่งอย่างเช่นในจูรสีหนาาสูตรท่านก็ยกถึงอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของทิฐิทิฐิความเห็นผิดเนี่ยนะมันมีอาสาธาอยู่นะมีอาทีนวะมีนิสรณะอยู่นะเจ้าลัทธิทั้งหลายแล่เนี่ยทิฐิเนี่ยถ้ากล่าวไปนะมีเหตุเกิดเหตุเกิดของทิฐิคืออะไรก็อบอกว่าปัจจัย8ประการนะที่ทําให้เกิดมิจฉาทิฐิหรือฐานะแปดก็ขัน อวิชาตันหาสัญญาผัสสะปรตโขสะอายโณโสมณัสการปาปะมิตรเนี่ยนะพวกเนี้เป็นเหตุให้เกิดทิฐิทั้งนั้นน่ยถ้าจะดับทิฐิก็โสดาปฏิมักเป็นเครื่องดับทิฐิทีนี้อัสาธะของทิฐิเป็นยังไงเจ้ารับที่ทั้งหลายเนี่ยนะที่เขาชื่นชมในรับที่ของเขาอ่ะมันมีลาบสการะอยู่ในนั้นอยู่สมมุติถ้าใครออกทฤษฎีอันใดอันหนึ่งขึ้นมานะบัญญัติกฎเกณฑ์ขึ้นมาได้ตัวเองจะเป็นอะไรขึ้น ก็จะมีคนนับถือใช่ไหมเมื่อมีคนนับถือแล้วมีอะไรอี ก, กอันะลาบสการะก็ตามมาเพราะฉะนั้นโอ น, นิสง์ของทิฏฐิหรืออัาธาของทิฏฐิก็คือมีคนยอมรับแล้วก็มีลาบสการะอันนี้เป็นอัศธาของทิฏฐิเนี่ยนะถามว่าอาทีนวะของทิฏฐิเป็นยังไงโทษของมันเนี่ยนะถ้ายิ่งรับที่แบบ ท่านก็ยกตัวอย่างอย่างเดรธีทั้งหลายเนี่ยนะละทัทธิแก้ผ้าเป็นต้นถามว่าเดือดร้อนขนาดไหนเพราะทิฏฐิเนี่ยนะที่จะต้องไปปฏิบัติด้วยอำ น, นาจของทิฏฐิอันนี้เป็นโทษที่เห็นในปัจจุบันแล้วอีกส่วนหนึ่งถ้าถือทิฏฐิอย่างใดนะถ้าใครพูดต่างจากตัวเองอะไรจะเกิดโทมนะั์ที่มาอ น, นิสงค์คือการทะเลาะกันอันนี้ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพระองค์ตรัสว่าคติสองของมิจฉาทิฏฐิคือ นรกกับเดรชาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเห็นมูเดรชานทั้งหลายเนี่ยย้อนเข้ามาเถอว่านึกถึงพุทธพจน์ได้เลยว่านี่เป็นผลของทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าทิคติสองของมิจฉาทิฏฐิคือนรกกับเดรชาเนี่ยเวลาเราเห็นเดรชาแล้วก็นึกถึงเออนี่ทิฏฐิเป็นปัจจัยให้เนี่ยนะนี่คือโทษของทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะเอ้ความเห็นนี่ไม่น่าสําคัญขนาดนั้นนะแต่ยิ่งใหญ่มากนี่เอ่อ แล้วนิสรณะของทิฏฐิก็อย่างว่านะโสดาปติมัคหรือโสดาปติมัคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยจึงเป็นการออกจากทิฏฐิโดยสิ้นเชิงบุตุชนทั้งหลายเนี่ยนะพูดถึงความคิดของปุตุชนไม่มีใครคิดพ้นขันแม้แต่หน่อยเดียวไม่มีเอานะใครคิดพ้นขันบ้าง ม, มีไหมไม่มีคิดไม่ไม่คิดเรื่องรูปกว่าเรื่องเวทนาไม่คิดเวทนากวาสัญญาไม่สัญญากว่สังขารไม่สังขารกว่าวิญญาณ ถึงบัญญัติก็บัญญัติอาศัยขันห้อีกนั่นแหละคนที่จะออกจากมิจฉาทิฐิได้ต้องพ้นจากขันห้าต้องมีอารมณ์ที่ไม่ใช่ขันห้าเป็นอารมณ์ก่อนนั่นแหละจึงจะหลุดจากทิฐิจริงๆเพราะขันห้าเป็นทิฏฐานุสัยเห็นได้ที่ไหนเตภูมิกร ร, รมเนี่ยนะคือทำในภูมิสามทุกชนิดเป็นที่ตั้งแห่ง ทิฐิหรือทิฐานุใสเนี่ยนะทุกทุกขันเลยนะทุกอารมณ์เลยเป็นที่ตั้งแห่งทิฐิเนี่ยนะแม้แต่น้ำเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิมากนะก็ถือว่าอาบน้ําแล้วล้างอะไรล้างบาปใช่ไหมแต่จริงๆมันล้างผงเนี่ยนะพอองษ์ตรัสบอกว่าล้างฝุ่นล้างผงมันไม่ใช่ล้างไอ้ใจหรอกนะนะอาบน้ําล้างใจได้ไม่ใช่หรอกแต่ว่าก็มีคนสําคัญว่าอาบน้ำอันนั้นแล้วล้างบาปได้เนี่ยนะ แม้แต่ผงดินนะก็เอามาหูตัวทาตัวเป็นต้นก็ถือด้วยอำนาจของทิฐิเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งน้ําที่อินเดียนะนะีคุณลำภวดีดูมไหมข้างล่างอะ่ะมีแต่นอนขนาดนั้นก็ยังลงไปอาบเพื่อจะล้างบาปเลยนะแหมพวกนอนเยอยๆๆข้างล่างมันน่าจะล้างบาปได้แล้วนะแต่ก็ยังมีคนเข้าใจว่าล้างบาปได้เพราะอาศัยน้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิหมดเนี่ยนะ ต่อเมื่อจะออกจากทิฏฐิได้อย่างแท้จริงต่อเมื่อมีอสังขตะธรรมเป็นอารมณ์ที่เรียกว่านิพานเนี่ยนะเมื่อมีนิพานเป็นอารมณ์เมื่อไหร่จึงจะออกจากทิฏฐิได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เอาทิฏฐิมาแสดงโดยอาสาธาอาทีนวะนิสรณะเนี่ยนะอันนี้เท่าที่ยกมาเป็นตัวอย่างว่าพระสูตรที่กล่าวถึงอาศะธาอาทีนวะนิสรณะของขันห้าหนึ่งนะขันห้าสอง ภาษายตนา 6, 3, สาธาตุ4ก 4, ็กามกามคุณห 5, เนี่ยนะ 5, รูปหเวทนาเจทิฏฐิเนี่ยนะแล้วก็มีวิธีการแสดงที่ยักย้ายแตกต่างกันไปอีกเนี่ยนะเพื่อให้รู้อัสาธะคือสรุปโดยสัจจะอัาธะคือสมุทยัยสัตว์เนี่ยนะเพื่อให้เห็นสมุทยัยสัตว แสดงอาทีนวะเพื่อให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีโทษนะประกาศโทษของทุกขสั์ว่าไม่ควรเข้าไปเพลิดเพลินในทุกขสัตอย่างนั้นหรอกแล้วก็สุดท้ายก็แสดงนิสรณะเนี่ยนะว่านี่คือทางออกที่แท้จริงสำหรับพระพุทธเจ้าผู้รู้ทางไพระพุทธเจ้าผู้รู้ทางเนี่ยเหมือนกับคนรู้ทางจริงๆเมื่อมีใครไปถามทางซึ่งเป็นทางสองแยกเนี่ยนะเรียกว่าทางสองแพร่งเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้ พระองค์ก็จะบอกว่างทางซ้ายมันผิดมันไม่ดีท่านจงเดินทางขวานี่ก็เหมือนกันนะว่าอัสสาธากะอาทีนวะมันนับเนื่องในวัตะนะถ้าจะออกได้จริงๆต้องเป็นวิวัตะเนี่ยนะันในทุกคำสอนที่พระองค์แสดงอาศสาธ า, ธาอาทีนวะนิสัรณ ะ, ะก็คือการประกาศอริยสัจเพราะฉะนั้นเวลาเราไปอ่านพระไตรปิฎกเอ๊ะทำไมไม่มีอริยสัจสักทีหนึง่ง มีแต่อัาธามีแต่อาทีนวะมีแต่นิสรณะไม่เห็นกล่าวอาริยาศาสตร์เลยแล้วทาไมเข้าบรรลุกันเห็นไหมคือพระองค์แสดงแต่เราไม่รู้ <c oughs> อันนันในในตัวอย่างโดยมากที่กล่าวไปก็คือตัวอย่างของอส า, าธาอาทีนวะและนิสรณะไปแล้วเนี่ยนะซึ่งอัาธาอาทีนวะนิสรณะเนี่ ย, าาา เ, ยเป็นเป็นหลักธรรมที่สําคัญเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่า นิสรณะเนี่ยนะพระองค์แสดงกับใครโดยบุคคลนะประกาศนิสรณะกับอุคติตันยูเช่นสูตรประเภทไหนสูตรประเภทว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละขันห้าเธอขันห้าที่เธอละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะพวกนี้อุคติตันยูฟังแล้วบรรลุเลยฟังเอาไปปฏิบัติบรรลุเลยหรือว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายรูปเป็นของร้อนเวทนะ ตาเป็นของร้อนเป็นต้นเขาฟังแล้วเบื่อหน่ายคลายกำหนัดบรรลุได้พวกอไม่เป็นอุคติตันยูทั้งนั้นเนีย่ยนะเพราะนั้นสอนให้ละเลยเน้นให้ละเลยส่วนถ้าประกาศทั้งโทษ ด, ด้วยโอ้แสดงโทษอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าจงละกิเลสเธออันนี้ก็เหมาะกับวิปปัญจิตันยูแต่ท่านนัยบาบุคคลก็เอามาสอนหมดเลยมีผู้ถามเขาว่าเอ็นัยบาบุคคล น, นี่ขนาดไหนเขาว่ากั้นบุคคลแค่ไหนเรียกว่านัยบาบุคคล มาจําได้เรื่องในอัตถกถาสักกะปัญหาสูตรใช่ไหมในนั้นท่านยกตัวอย่างใครยกตัวอย่างพระหมหาศีวะทรงพระไตรปิฎกสอนคนอื่นบรรลุไปหลายหมื่นแล้วตัวเองปฏิบัติอยู่30ปีจึงได้บรรลุนั่นก็คือนัยยะบุคคลเหมือนกันเพราะฉะนั้นนัยยะบุคคลเนี่ยโดยที่สุดแม้ทรงพระไตรปิฎกถ้า บ, บรรลุช้าก็เรียกว่านัยยะทั้งนั้นนะ่ยเห็นไหมทีนี้ในบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเนะี่ยเราก็ต้องเข้าใจเรื่องปฏิปทาสี่ ปฏิปทาสี่กับบุคคลสี่ซึ่งข้อหหน้าส2บสองเนติปกรณ์เนี่ยนะตรงเนี้ยที่อัตรกรถ า, าทั้งสุมังคละวิลาสณีอัตรกรถามาหาสติปทานสูตรแล ะ, ะปะปัญจะสูทนีเนี่ ย, น, ยนะอัตรกรถ า, ามัชฌิมนิกายจะยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาว่าทำไมพระผู้มีพระภาคจึงแสดงสติปทานสี่เพราะว่า แสดงตามจริตเนี่ยนะว่าบุคคลนี่มีจริตสองคือตันหาจริตกับทิฏฐิจริตพวกที่เป็นตันหาจริตเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองประเภทคืออย่างอย่างอ่อนกับอย่างแรงเหมือนกันเถอะทิฏฐิจริตก็แบ่งออกเป็นสองเนี่ยนะอย่างอ่อนกับอย่างแรงพวกที่มีตันหาจริตปัญญาน้อยพวกนี้โดยมากติดในรูปเนี่ยนะตันหาจริต ปัญญาน้ยเนี่ยนะติดในรูปตัณหาจริตปัญญามากพวกนี้ติดในเวทนาโดยมากนะติดความสุขท่านสูงถ้าพวกที่ตัณหาจริตเอาเข้าไปทิฏฐิจริตปัญญาน้อยพวกนี้ติดในเรื่องจิตพวกทิฏฐิจริตปัญญามากติดในเรื่องของธรรมะคือสัญญาขันธ์สังขารขันธ์เป็นต้นนั่นเองนั้นพระองค์แสดงสติประธานก็เพื่อละ ละกิเลสของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เห็นะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เท่ากับประกาศอะไรด้วยประกาศข้อปฏิบัตินะพวกเจริญกายานุปัสสนาโดยมากทุกขาปฏิปทาและก็บรุญะบรุยอกเนี่ยนะพวกที่พระองค์บรรลุด้วยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพวกนี้ก็เป็นทุกขาปฏิปทาแต่ว่าบรรลุเร็วหน่อยเนะบรรลุเร็วมันในข้อห ก็เท่ากับเป็นการแสดงสติปทานด้วยเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะในสติปฐานสูตรเนี่ยต้องเอาบทตรงนี้ไปอธิบายเหตุผลที่พระพุทธเจ้าแสดงสติปฐานไว้สี่ประการเนี่ยนะทีนี้ถ้าโดยการบรรลุล่ะพวกที่ตัณหาเจริตเนี่ยนะโดยมากต้องเจริญสมะถะนำหน้าถามว่าทำไมต้องเจริญสมะถะนำหน้าก่อนสมะถะนี่แปลว่าข่ม นะข่มกิเลสนั่นเองสมถะหมายถึงการข่มกิเลสเพราะฉะนั้นพวกที่ตัณหาจริตโดยมากเนี่ยพวกนี้ตัณหาใช่ไหมเพลิดเพลินต้องข่มตัณหาก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะส่วนพวกทิฏฐิจริตเนี่ยนะพวกนี้มันเอาแต่เรื่องทิฏฐิเขาว่าถือทิฏฐิเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจะต้องชี้แจงก่อนชี้แจงเรื่องทิฏฐิเนี่ยนะเรื่องจิตเรื่องธรรมะทั้งหลายให้เขาเข้าใจเพราะฉะนั้นพวกนี้ปัญญานําหน้าเนี่ยนะ คือเจริญวิปัสสนานำหน้าจึงจักอบรมสมถะตามหลังก็ด้วยเหตุผลเนี่ยนะผู้ที่ติดในรูปกับติดในเวทนาเนี่ยอันนี้เป็นพวกราคะหรือโลภเป็นอัธยาศาัยจริงๆพวกที่เกี่ยวกับเรื่องจิตกับธรรมะเนี่ยนะที่เป็นนามธรรมเนี่ยที่หยาบยาบลักษณะนี้นะเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลง เมื่อลุ่มหลงในสิ่งนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งทิฐิใช่ไหมเหมือนอย่างเรามองมองอะไรไม่ค่อยชัดกลางคืนนะสะลัวสลวเราจะจินตนาการเดา ว, ว่าอันนั้นคืออะไรก็คือทีแรกก่อนเขาเห็นไม่ชัดมัวมัวก่อนใช่ในสิ่งนั้นเช่นว่าเห็นเชือกยาวๆมัวมัวนี่เราก็เดา ว, ว่างูเอาไว้ก่อนใช่เห็นต้นไม้เงาตะคุ่มตะคุ่มไม่ได้สังเกตไวตั้งแต่ตอนกลางวันก่อนนึกว่า ผีหรือว่ายักษ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอะไรก็ตามที่มันมัวมัวเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็ลักษณะนั้นนั่นเองเนี่ยนะพวกทิฐิจริญนี้จึงจึงพื้นฐานเข้ามาจากอวิชชาเนี่ยนะท่านก็สติปัฏฐานนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่แก้แก้จริตแก้ทิฐิเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้แก้ผู้ที่มีอัธยาศัยวิวตัตะเนี่ยนะมีอัธยาศาัยแห่งการบรรลุอะไร มันในตัวอย่างนี้ก็คงเห็นนะว่ากลุ่มที่เจริญหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยนะพวกที่ตัณหาจริตปัญญาน้อยเนี่ยธรรมะที่เขาต้องสนใจเป็นพิเศษคือสติปัฏฐานเนี่ยนะต้องมาใส่ใจให้มากๆส่วนตัณหาจริตปัญญามากพวกนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องฌานเป็นพิเศษเนี่ยนะเพราะว่าพวกนี้มันไปติดเรื่องละเอียดกว่านั้นและมันไม่ได้ติดเรื่องหยาบ ถ้าเป็นคนที่เดือดร้อนเรื่องกามเนี่ยนะเขาถือเอาเรื่องกามเป็นหลักใช่ไหมแต่ถ้าคนไม่เดือดร้อนเรื่องกามถือเรื่องศักดิ์ศรีเป็นหลักใช่ไหมเสียกามไม่ว่าขอเอาอะไรไปก่อนหน้าตาศักดิ์ศรีอะไรก็ได้ชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เสียตังไม่ว่าขอให้เหลือชื่อเสียงหรืออะไรเนี่ยพวกนี้มันจะถือละเอียดลงมาอีกใช่ไหมพวกนี้ก็เหมือนกันนะพวกบางคนกลุ่มที่ปัญญาน้อยก็ติดในเรื่องรูปไปปัญญามากกว่านั้นก็ติดเรื่องเวทนาเนี่ยนะ เวทนาเนี่ยได้จากไหนเป็นหลักจากฌานเพราะฌานเนี่ยทุกฌานให้ความสุขนเนี่ยนะทุกฌานให้ความสุขปฐมฌานนี่มีความสุขมากนะทุติยฌานตาติยฌานเนี่ยสุขมากสุขไม่มีอมิตรด้วยสุขไม่มีกิเลสจะสุขขนาดไหนเนี่ยนะแล้วก็จตุตฌานก็เป็นสุขยิ่งกว่าเนี่ยนะเพราะเพราะถือว่าว่าสุขเพราะปัจจัยแห่งที่จะทําให้เกิดทุกเนี่ยน้อยมากมันอุเบคาในจตุตฌานก็นับว่าเป็นเป็นสุขเหมือนกัน มันก็จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องฌานส่วนพวกที่ติจริตมีปัญญาน้อยเนี่ยนะพวกนี้ก็ต้องเพียนเข้าว่านะต้องขยันหมั่นเพียนถ้าไม่เพียง น, นี่จะเข้าร่องรอยเดิมหมดเลยร่องรอยเดิมที่อะไรพวกทิฏฐิวิปลาสเนี่ยนะขอไปนิจจาวิปลาสเนี่ยสำคัญว่าอย่างใครมาเนี่ยนะเหมือนกับจิต ด, ดวงเดียวกันนั่นแหละพามาใช่ไหมที่เรามาเนี่ยจิต ด, ดวงที่ฟังอยู่ใช่ไหเป็นคนพามา ไม่ใช่เวลาเรากลับอันไหนล่ะก็คนละอันแต่เหมือนกับว่ามาด้วยดวงเดิมใช่ไหมตอนที่ลุกก็จิตชนิดหนึ่งเป็นสมุทฐานให้ลุกตอนที่ยืนเดินนั่งนอนก็คนละจิตคนละจิตแต่จิตเหล่านี้เหมือนมายากลเหมือนคนเดียวกันเดิมเหมือนเดิมตลอดเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะไม่ได้กําหนดรู้เนี่ยนะพราะไม่ได้ทําปริญญาก็เลยนึกว่าจิตนี้เหมือนเดิมทุกอย่างพวกนี้จะต้องหมั่นเพียรมากๆที่จะพิจารณา มันก็เลยสัมมาประธานเนี่ยสำคัญส่วนมีปัญญามากนะก็สัจจะเอาเรื่องอริยสัจมาคิดให้มากๆนะจึงจะละทิฏฐิได้เพราะพวกนี้ไปถือพบใดพบหนึ่งว่าว่าเที่ยงถือธรรมะชนิดใดชนิดหนึ่งว่าเป็นนิพพานเป็นต้นเนี่ยนะเพราะพวกนี้ต้องเอาอริยสัจมาคิดมากๆอย่าง阿าระดาบทอุทะกดาบทนเนี่ยนะพวกนี้ถือว่าเนวสัญญาณนาสัญญาญตนะเป็นนิพพาน เป็นนิพพานที่เขาถืออย่างนั้นว่าเป็นนิพพานเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นอริยสัจเพราะเขาไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะเพราะพวกสัญญาเนี่ยนะอย่างชั้นสูงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไปถือสัญญาเหล่านั้นว่าเป็นนิพพานเข้านี่นะที่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่รู้อริยสัจมีอยู่สูตรหนึ่งบอกชื่อว่าคัตถุลสูตรสังยุตติกาย ขันทวารวักเนี่ยนะแสดงถึงว่าพวกปู่ตุชนทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีพ้นขันห้าหรอกเกาะพันอยู่ในขันห้านั่นแหละพูกไว้ในขันห้าก็บอกว่าขันห้าหรือสากายะเหมือนกับเสาหลักนะตัวทิฐิที่ไปพันตัวตันหาทิถิพันไว้กับสาก า, ากับหลักอันนั้นคือเหมือนกับโซ่เนะี่ยปู่ตุชนที่ติดข้องในวัตตะเช่นกับสุนัขเนี่ยนะเขาบอกว่าสุนัขที่ถูก โซ่ล่ามเอาไว้ในหลักเนี่ยนะมันยืนก็ยืนใกล้หลักนั่งก็นั่งใกล้หลักนอนก็นอนใกล้หลักทํายังไงก็ทําใกล้หลักฉันใดปุตุชนทั้งหลายก็ฉันนั้นเนี่ยนะมีแนวความคิดทิฏฐิที่ผกพันอยู่กับขันห้าตลอดพันด้วยอะไรพันด้วยอำนาจตันหากับทิฏฐิหมกมุ่นผูกพันวนเวียนคิดวนก็ใครวันหนึ่งคิดจะออกจากขันห้าได้เนี่ยออืหน่าน่านับถือมาก เนี่ยเรียกว่าผู้ปฏิบัติดีในโลกเพราะโดยมากไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคิดเรื่องขันห้าพรุ่งนี้ปรือ น, นี้มรื่นนี้สิบวันข้างหน้าปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าชาติหน้าโอ้คิดหาแต่ขันห้าทั้งนั้นเลยคิดในอดีตก็คิดหาแต่ขันห้าที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะไม่รู้อาสาธาอาทีนวะนิสรณ ะ, ะของของขันห้าก็เลยพล่นผูกพันวนๆอยู่ในขันห้าพราะในขันห้าก็มีพวกที่ถือว่าขันห้าถึงณจุดโน้นแล้วจะ จะอะไรจะนิพพานใช่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้อริยสัจเพราะฉะนั้นอริยสัจนี่ต้องเอามามาใคร่ครวญมาตรึกมาคิดให้มากๆเอแล้วถ้าเอาอริยสัจมาคิดเนี่ยนะมันจะขัดไหมถ้าเอาอริยสัจมาตรึกมากๆกเนี่ยขัดไหมไม่ขัดถามว่าทำไมเพราะพระพุทธเจ้าสอนเลยนะบอกว่าถ้าเธอจะพูดอย่าพูดเดรัจฉานคาถานนะให้เอาอริยสัจมาพูด เอาถ้าเธอจะคิดนะอย่าไปคิดเรื่องโลกเที่ยงเรื่องไม่เที่ยงเป็นต้นนะเอาอริยสัจมาคิดนะถ้าเธอจะจัดตรึกบอกอย่าตรึกกรมมสวิตกนะแต่ให้มาตรึกอริยสัจเพราะฉะนั้นให้ให้ชีวิตเนี่ยวนอยู่ในอริยสัจไว้เถอะถ้าเราสังเกตตามมรรคแเนี่ยนะมรรคข้อ1สัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจใช่ไหมมรรคข้อที่สองคิดเรื่องอริยสัจมรรคข้อที่สมพูดอริยสัจถามว่าพูดเรื่องศีลเป็นต้นยังอยู่ในอริยสัจไหม อ ย, อยู่ในกลุ่มมรคสัตว์เนี่ยนะทีนี้ถ้าประกอบอาชีพยังไงก็ต้องให้วนอาชีพที่ใกล้ต่อรู้อริยสัจหน่อยนะเพราะอาชีพบางอย่างนี่จะทําให้ห่างอริยสัจมากเช่นอาชีพเมาเมาทั้งหลายแล่เนี่ยนะใกล้อริยสัจไหมไม่ได้แลนะ้วเนี่ยนะทีนี้ถ้าอาชีพเราก็จะสอนความเพียรตามมานะถ้าไม่เพียรไม่ได้หรอกเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นมรรคจริงๆก็สัมพันธ์กันให้ผูกให้พันให้วนอยู่ในอริยสัจหรือความจริงอันประเสริฐ ถามว่าอริยสัจดียังไงเนี่ยนะอันนั้นอ่ะถ้าตอบตรงนี้ได้อ่ะคือรู้ธรรมคุณเป็นอย่างดีแต่ว่าอริยสัจดียังไงจะรู้ว่านี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบูชาเนี่ยนะทุกขสัจพระพุทธเจ้าบูชาไห ม, ไ ม, ไมบูชาในปัญญาที่ไปรู้ทุกขสัจไม่ได้บูชาตัวทุกขสัจแต่บูชาปัญญาที่ไปทํากิจในทุกขสัจสมูทัยเนี่ยพงค์ก็ไม่ยกย่องหรอก แต่บูชาปัญญาที่ไปละสมุทัยแต่มรรคศาตร์พระองค์บูชาจริงๆองค์ตัวมรคเลยนะพระ อ, องค์เคารพนิพพานพระ อ, องค์ก็เคารพเนี่ยนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็เคารพธรรมแสดงธรรมก็เอาธรรมะคืออริยสัจเนี่ยตั้งไว้ในในเบื้องหน้าในผู้ปฏิบัติทั้งเจริญสติปัญญานเจริญฌานเจริญสัมมปาปัญญาเจริญสัจจะเหล่านี้นะว่าจุดมุ่งหมายปลายทางอันเดียวกันหมดคือรู้อริยสัจ เพราะว่าอินทรีย์อันเดียวบรรลุได้ไหมไม่ได้แต่ว่าในบุคคลใดบุคคลหนึ่งอะ่ะมีอินทรีย์พิเศษเฉพาะตัวเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่าอินทรีย์ทั้งหมดต้องสัมพันธ์กันเนี่ยนะอย่างผู้ที่มีปัญญินทรีย์มากเนี่ยใครอย่างยกตัวอย่างพระโมคลานะเออภาษาทีบุตรใช่ไหมปัญญินทรีย์มากถ้าสมาธินทรีย์มากพระโมคลานะถ้าวิริยินทรีย์มาก พระโสนะนะเป็นผู้ที่มีความเพียรมากเดินจงกรมมากนะวิริยรีย์มากถ้าสติินรีย์มากพระนนนะมสีสติเนี่ยมากกว่เพื่อนเอตัทธะด้านสติเนี่ยนะถ้าศรัทธามากาก็ภรวรกฤตแต่ว่าผู้ที่บรรลุต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะอินทรีย์ต้องมีกิจอันเดียวกันจึงจะดแทงตลอดอริยสัจได้ถ้าอินทรีย์ไม่ทํากิจอันเดียวกันบรรลุอริยสัจไม่ได้แต่ว่า ยิ่งหย่อนไม่เท่ากันนะอินทรีย์แต่ละคนเนี่ยจะยิ่งหย่อนไม่เท่ากันโ <c oughs> ครงสร้างเหล่านี้เป็นเป็นตัวตารางบอกบอกพฤติกรรมของบุคคลได้เลยว่าบุคคลเหล่านั้นอะอยู่ในกลุ่มไหนแต่หมายความว่าเรียนเรื่องตัวเองให้มากเลยนะคนความพิจารณาภายในชีวิตของเรามากจะรอบรู้เลยว่าโอ้ตารางเหล่านี้ไม่ผิดเน่นะเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆ ในการแสดงคำรรของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทั้งหมดอย่างที่กล่าวว่าเรียกว่าเทศนาหาระถ้าพระพุทธเจ้าเทศนาเทศดาอสาศาธาอาทีินวะนิสรณะเป็นต้นทีนี้ผู้นี้พูดถึงผู้แสดงจบแล้วนะสิ่งที่เกี่ยวกับผู้แสดงแสดงให้ใครก็แสดงให้มีผู้ฟังผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วๆไปก็เช่นในฐานะพระสาวกทั้งหลายพระสาวกเหล่าใดที่มีศรัทธานในอริยสัจ สาวกเหล่านั้นเนี่ยจะได้เทศนาหาระไปหรือพระพุทธเจ้าจะแสดงแก่ผู้ที่เงียโสดนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยก็ใครไม่เงียสโตรนี่พระองค์ไม่แสดงให้ฟังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะแสดงแก่ผู้ที่เงียโสโตรเพราะในะกระทาวัตถุสูตรนี้ก็ยังแสดงว่าถ้าผู้เงียโสรมีอุปนิสัยถ้าไม่เงียโสโตรไม่มีอุปนิสัยทั้าเงียโสดฟังอริยสัจก็แสดงว่ามีอุปนิสัยที่จับบรรลุอริยสัจ บรรลุเร็วหรือช้าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ทั้งเงี้ยโสดฟังอริยสัจก็มีเขาว่าจะบรรลุอริยสัจแต่ถ้าไม่ฟังเลยก็แสดงว่าไม่มีอุปนิสัยเนี่ยนะผู้ที่ขณะ ท, ที่ฟังอริยสัจแล้วแยกแยะได้ว่านี้อภินยยธรรมนี้ปริญยยธรรมนี้ปหาตปธรรมนี้สัจจิกาตปธรรมนี้ภาเวตประธรรมเนี่ยนะ ฟังแล้วจะสามารถโอ้นี้ไตรลักษณ์นะนี่ทุกนี้สมุทยัยนี้นี่โรจนี้มักอะ่ะผู้ที่ฟังแล้วมีความเข้าใจอย่างนี้เรียกว่ามีสุตมยพปัญญาเนี่ยนะมีสสตมยพปัญญาผู้ที่เข้าใจแบบนั้นแล้วเอาไปไขครวนตามต่อไปได้เลยอะ่ะเข้าไปทํากิจนั้นๆเลยนะอันนั้นแหละเรียกว่ามีจินตมยพปัญญาคือฟังเข้าใจคนเข้าใจเอาไปคิดต่อกับเข้าใจแล้วไม่คิดต่อนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือน พวกที่เอาไปคิดต่อได้นั่นแหละเรียกว่ามีจินตามยะปัญญาคําว่าคิดต่อเนี่ยอาจจะนั่งคิดตรงนั้นก็ได้หรือหลังจากนั้นต่อไปเอาไปคิดก็ได้สมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่เขาเข้าใจแล้วก็ทํากิจบรรลุตอนฟังธรรมเลยเนี่ยนะบรรลุขณะนั้นเลยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องกายนะอ่ะนะเออก็แสดงอดสาศะก่อนใช่ไหมว่าเออร่างกายเนี่ยปุตุชนผู้ไม่พิจารณาก็ติดข้องในกายอันนั้นเป็น การแสดงอสาทะใช่ไมแล้วโทษของกายเนี่ยกายเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนั้นประกาศอาธีนวะแล้วพระองค์ก็แสดงให้ละฉันทราคะในกายอันนั้นก็ประกาศนิสรณะใช่ไหมผู้ฟังจบเนี่ยบรรลุเลยก็มีพอพระองค์แสดงเรื่องกายจบก็บรรลุเลยเพราะอะไรเพราะเขาใขค่ควรตามขณะนั้นๆั้นบุคคลอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าพวกอุคติตันยูเนี่ยนะ เพราะอุคติตันยูบุคคลเนี่ยมีทั้งสุตะและจินตะพวกอุคติตัญยูเนี่ยฟังแล้วคิดเองทันทีได้เลยฟังแล้วเข้าใจเลยว่าต้องทำอย่า ง, งี้อย่างนี้อย่างงี้งงในทั่วๆไปเราจะเคยได้ยินนะว่าพระอรหันเนี่ยคือผู้ที่หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบหลุดพ้นหมายถึงอรหัตผลเนี่ยนะหลุดพ้นเพราะท่านรู้ชอบรู้ยังไง ร, รู้ขันอายตนะธาตุขันนี้ในฐานะเป็น กองเป็นกองกองอ น, นะสิบอ็ดกองอ น, นะอายตนละล่ะต่อความสื่อต่อธาตุไม่ใช่สัตว์บุคคลหรือว่างเปล่ามีจริงแต่ว่าไม่ใช่ใครทีนี้ขันอายตนะธาตุเนี่ยเป็นสัจจะอะไรเป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะทั้งทุกขสัตว์นี่นนอัดของทุกพ่าอะไรบีบขั้นดังนั้นแหล ะ, ละนะนะปีละนะโถเนี่ยนะปีละนะ ของเราเนี่ยเรียนกันไปไกลนะั้นมีเอกสารอริยสัจที่โยมเขาถวายไปเนีโอ้โหดีมากเลยนะใครเก่งจังทําได้เก่งมากนะนะเก่งมากของอาจารย์นั่นนะหลายๆท่านเก่งมากคือรวบรวมได้ขนาดนั้นนี่ก็เก่งเลยนะชมเลยนะเพราะคนที่ทำโครงสร้างแบบนี้ออกมายากมากนะนะคือทุกขสัจเนี่ยนะขันอายตนะธาบนั่นแหละมันปีละนะัโถอั้นผู้ที่มีปัญญาเขารู้ว่าทุกทั้งหมดเบียบเบียน บีบคั้นเนี่ยนะเบียดเบียนบีบคั้นสมุทัยเนี่ยนิทานโถเป็นตัวนำมาให้อ่ะนะมอบให้เลยโยนให้เลยะนะเรียกว่าเป็นตัวมอบภาระให้เลยอะ่ะเป็นตัวทุกส่วนนิโรธล่ะ ว, วิเวกัโถเนี่ยนะสงัดจากปัญหาเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะมรคนี่ต้องเข้าไปเห็นนิโรธนะโดยการทากิจเรื่องต้นนั้นผู้ที่หลุดพ้นพ่อรู้โดยชอบคือคนที่สามารถทากิจอริยสัจ พอฟังทำจบทํากิจอริยศาสตร์ทันทีเลยอันนั้นแหละกลุ่มเนี่ยเป็นอุคติตันยูนั่นฟังย่อๆทํากิจเลยแต่ถ้าเป็นผู้วิปปัญจิตันยูเนะียมันคิดเองไม่ได้ต้องบอกวิธีคิดว่าเขาต้องคิดอย่างนี้นะต้องคิดต่อไปอย่างนี้ใครควรแบบนี้ต้องมนาสิการสิ่งนี้อย่ามนาสิการสิ่งนี้อธิบายเพิ่มเติมอีกมากพวกนี้เป็นวิปปัญจิตันยูถ้าเป็นนิยบุคคนนี่ทําไง วันที่หนึ่งผ่านไปวันที่สองมาใหม่วันที่สามเอาอีกนะหนึ่งปีผ่านไปสองปีผ่านไปสิบปีผ่านไปยี่สิบปีผ่านไปเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าบรรลุช่วงไหนก็ได้อันนี้เป็นนัยยะบุคคลหมดพระราหุลก็นัยยะนะอย่าเสียใจเลยขนาดพระราหุลยังนัยยะบุคคลพระราหุลเนี่ยกว่าจะบรรลุเป็นพระาร้านกี่ปีสิบสามปีพระรัฐบาลสิบสองปีเนี่ยนะ ของเราได้กี่ปีแล้วเมื่อเช้าบอกว่าได้ยินนับสองเดือนมั่งสามเดือนมั่งเนี่ยนะโอ้ยห่างมากไอ้สองเดือนสามเดือนคือเวลาฟังนะั้นไม่ใช่ว่าไปเจริญอย่างนั้นนะถ้าเจริญตามนั้นได้สักสิบสองปีแล้วจะรู้ว่าแม้เราบุญน้อยค่อยพูดอย่างนั้นเนี่ยยังไม่ทันเจริญนะบอกบุญน้อยเหมือนกันเถอะเขาจึงมีอะไรนะถ้ามีหลายๆคนอะชูชกผูกแม่บ้านอนมิตตาปนาเขาแซว ก็บอกโอ้ยคนขี่ขลาดยังไม่ได้เข้าสนามรบเลยแพ้แล้วเหมือนกันนะนางคือนางอมิตต า, ตาปนามเมียชูชกเขาให้ชูชกไปขอลูกจากพระเวสสันดรเ น, นี่ยนะทีนี้ชูชกก็าบอกโอ้ยฉันไม่กลา้าหรอกฉันไม่ไปหรอกอย่างเงี้ยก็บอกนางก็ว่าเออนี่คนขี่ขลาดเหมือ น, นเหมือนเข้าสงครามเนี่ยนะยังไม่ทันรบไปยอมแพ้ซะแล้วเนี่ยนะเราก็เหมือนกันเนี่ยนะบอกแม้ยังฟังก็จําอะไรก็ยังไม่ค่อยได้เลยยังไม่ค่อยได้ฟังเต็มที่เลยนะ แล้วก็ที่ไปเจริญจริงๆเวลาก็เพิ่งทําได้โดยชั่วโมงก็ยังไม่กี่ชั่วโมงไงบอกแหมเรานี่บุญน้อยเล้อเกินอย่างนีโอ้ยก็สมควรน่นะบุญน้อยต่างแต่คิดอย่างนั้นแล้วว่ะอย่านะีบุญน้อยเพราะความคิดนะไม่ใช่ว่าเขาไม่จริงๆเพราไม่มีบุญจริงๆอ่ะบุญมีอยู่แต่ว่าน้อยเพราะเขาคิดอย่างนั้นเนีย่ยนะเพราะว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคนที่ไม่บรรลุเพราะเพราะขี้เกียดนี้ก็มีไม่ใช่น้อยใช่ไหม หรื อ, อไม่บรรลุเพราะไม่ปฏิบัติไม่ใช่ไม่มีบุญที่จะบรรลุอย่างเศรษฐีบุตรชาวพาราณสีเนี่ยนะมีอุปนิสัยมรรคผลนิพพานอยู่แต่ไม่ปฏิบัติเมื่อไม่เจริญก็บรรลุไม่ได้เนี่ยนะสําคัญที่สุดก็อยู่ที่อริยสัจสี่นะกิจที่สําคัญนะอยู่ที่ที่ไหนภาวนาใช่ไหมตัวที่ต้องปฏิเจริญจริงๆอยู่ตรงนั้นส่วนที่เหลือนี่ไม่ต้องไปทําอะไรเนี่ยนะไม่ต้องไปทําอะไร สมุทัยนี่ก็ให้ละเพียงแต่ว่าห้ามอย่าให้มันบังเกิดไม่ได้ไปไปต้องไปจับแจงไปปรุงแต่งไม่ต้องทุกข์ก็เข้าไปทำปริญญาเนี่ยนะนโรดก็เป็นอสังขต า, าธาตุอยู่แล้วทีนี้ถ้าจะเจริญจะทำไงก็เจริญมักแต่แต่ตรงนั้นที่จะต้องเจริญขึ้นต้องทำขึ้นเลย